เราเป็นห่วงพระเนรที่มาอยู่อาศัยกับเรานี่ยิ่งกว่าเราห่วงเราถ้เาเราเองเราไม่เห็นมีห่วงอะไรห่วงอะไรทั้งนั้นแต่เกี่ยวกับพระเนนที่มาอาศัยอยู่กับเราแล้วเร า, เร า, เราห่วงเราห่วงมากเราไม่เคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู่ด้วยเพราะเรารรบเรารับแล้วเพื่อเหตุผลที่ ควรรับเมื่อรับแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เต็มกำลังความสามารถส่วนข้อมูลตามหลักธรรมหลักวินยัยนั้นเราก็ไม่กล้าอัดเอืมงเพราะเป็นความละเอียดของหลักธรรมหลักวินยัยอาจจะไม่รู้ทั่วถึงก็ได้แต่เรื่องความรู้ความสามารถท้งเรามีเท่าไหร่เราทุ่มเทลงเพื่อหมู่เพื่อคณะตลอดมาตั้งแต่วันเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อน โดยในขั้นเริ่มแรกจนมาทั่งวัดนี้เป็นเวลาทั้งยี่สิบกว่าปีปกติเราจะก่อนมาก็สนใจสอนใครนอกจักสอนเจ้าของเองแล้วไม่นึกด้วยว่าเป็หมือเพื่อนตลอดทั้งประชาชนมาเกี่ยวข้องกับเราถึงขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้เมื่อความจําเป็นมาเกี่ยวข้องจิตที่จิดหรือเป็นความรู้สึกมาดั้งเดิมของเราที่เรียกมโนสัยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม เหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นภาระก็ต้องหนักผู้ใดมาเกี่ยวข้องกับเราเรารับแล้วด้วยเหตุโดยผลเราจะต้องดำเนินตามหลักธรรมที่เป็นเหตุองค์ประกอบเรียกว่าเป็นเหตุผลล้วนๆแล้วรวมลงเป็นธรรมอย่างเต็มทันคติกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุก ม, มุมนี้จะมีภาระมากความเป็นห่วง ที่จะต้องอบรมสั่งสอนเราก็เป็นห่วงตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสก็ต้องมาอบรมเสมอฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่ในสถานที่นี้เพื่อการศึกษาอบรมจงรักษาเจตนาดั้งเดิมของตนไว้ให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องถ้าเจตนาอันนี้บกพร่อง ความประพฤติการปฏิบัติตัวจะอ่อนแอลงไปกลายเป็นความท้อถอยความรู้สึกจะคิดไปในแง่เป็นอกุศลและไม่เป็นมงคลแก่ตนและหมู่เพื่อนตลอดครูบาอาจารย์ที่อยู่ร่วมกันการปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นไม่เหมือนกับการปฏิบัติ ต, ต่อโลกซึ่งไม่ค่อยจะมีขอบเขตเหตผลอะไรมากนักก็อยู่กันได้แต่สาหรับ เรื่องของคราแล้วต้องมีเหตุมีผลมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันในการอยู่ร่วมกันว่าไม่มีอันใดที่เป็นการขัดแย้งกันโดยทิฏฐิมานะโดยหลักธรรมหลักวิกนัยสอดคล้องต้องกันอยู่เสมอด้วยความประพฤติปฏิบัติตลอดความรู้ความเห็นแต่พ่ออย่างยิ่งเรื่องการละแคละคายละหองละแหง่ง จนถึงกับให้เกิดความทะเละวิวาทขึ้นมาเพราะพิธีมาณะอันเป็นการสั่งสมกิเลสหรือผิดกิเลสขึ้นมาอย่างไม่น่าอายนั้นขอย่าให้เกิดขึ้นในวัดนี้เป็นอันขาดเพราะนั้นเป็นเรื่องของการคุยเคียวการขุดค้นกิเลสทุกประเภทต่างๆขึ้นมาเพื่อขายตัวเอง และทำหมู่เพื่อนให้รอดร้อนเพื่อเพื่อนเประไปหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเราจะพึงคิดเลยอย่าว่าแต่แสดงออกมาเพราะพระเรา <c oughs> มีหน้าที่ชาระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เกิดขึ้นภายในใจยังต้องพยายามระงับและกาจัดมันไปไหนจะปล่อยให้มันออกระบายออกมาลึทุ่งออกมาทางกายทางวาจา อย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเป็นการขายตัวมากมายสงหรับพระเราอย่าพูดถึงเรื่องวงปฏิบัติเลยคำว่าพระแล้วเป็นส่วนเสมอภาคไปลูกศิตาทาคต ด, ด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับคาว่าพระบ้านพระป่าอันนี้แยกออกไปเฉยๆเรื่องหลักธรรมหลักวินัยไม่มีอันใดมีน้ำหนักต่างกันมีน้ำหนักเท่ากันในความเป็นพระ ด้วยเหตุนี Nos, ท้ทุกๆกท่านที่มาอบรมศึกษาจงตั้งจิตั้งใจให้ดีให้มีความขยันหมั่นเพียพรพลิกจิตพลิกใจพลิกความรู้สึกที่เคยเป็นมาในคารวะอันดั้งเดิมมันเสียโดยลําดับเพื่อให้เข้าคมคืนกับหลักธรรมหลักวินัยหลักความประพฤติอันเป็นเรื่องของพระโดยตรงเกี่ยวข้องขมูเพื่อนอีก ด, ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพินิษพิจารณาสังเกตสอดรู้ให้รอบคอบ ควมคิดความเห็นความประพฤติของเราเพื่อให้มีความคงคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นหนึ่งว่าวัยวะเดียวกันพระเราอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนอนวัยวะเดียวกันเมืออ่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้องขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ภายในร่างกายทุกส่วนไปด้วยทั้งๆที่ส่วนเหล่านั้นไม่ได้มีกนมีการก็ทําให้กระทบกระเทือนถึงกันได้การอยู่ร่วมกันก็เป็นเช่นนั้น รายใดก็ตามที่แสดงความไม่เหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาทจะเป็นทางกายทางวาจาก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งจะเพาะเป็นเหตุที่จะให้กระทบกระเทือนถึงหมู่ถึงคณะที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขให้ได้รับความเดือดร้อนบุญบาตรอย่างน้อยเป็นอารมณ์ของใจต่อกันไม่ดีเลยการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธศาสนาต้องมีความเครื่องแข็งเปลี่ยนความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาซึ่งฝังใจอย่างลึกซึ้งนั้นถอนตัวออกมาโดยลําดับหมุนจิตใจเข้าไปสู่หลักธรรมหลักวินยัยพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขณะที่บวชหรือนอกจากขณะนั้นแล้วหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใ น, เ, น, เ, น, เ, นเรื่องเพศเรื่องอะไรไปก็ตามความรู้สึกซึ่งในธรรมะหรือความนอบน้อมความเคารพ ทรงรัภกภาคดีต่อหลักพุทธศาสนาขอจะให้บกพร่องแต่พาะอย่างยิ่งในขณะที่อยู่ด้วยกนันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องสงร่วมระหวังทุกคนการประพฤติปฏิบัติให้มีความเข้มแข็ ง, ท, งทราบว่าเวลานี้เราบวชเป็นพระแล้วกิริยาอาการใดๆที่เราจะแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระเราจะต้องพิพจารณาเป็นพิเศษแล้วแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระของเรา ยาได้แสดงออกมาแบบกลุ่มสีจี๊ดห้าดังโลกที่เขาไม่มีไม่มีขอบเขตเหตุผลหรือเทศแดนใดๆที่ประพฤติมานั่นเลยจะขัดกับหลักศาสนาขัดกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ร่วมกันจะกลายเป็นความมัวหมองหรือวุ่นวายขึ้นเช่นเดียวกับน้ำที่ถูกก็กวนจะมีเป็นตมเป็นโคลนขึ้นมาจะอาบจะช้าจะสอยจะดื่มอะไรไม่ดีทั้งนั้นเพราะน้ำขุ่นมีการทา การละกันให้มีความกระทกบกระเทือนก็เป็นเหมือนกับว่าควรน้ําที่สงบคือควรทำที่สง บ, รรรสงบแห่งใจของแต่ละท่ า, ทานให้มีความขุ่นมัวหรือเป็นอารมณ์ขึ้นมาซึ่งเป็นการลบปวนจิตใจให้เกิดความขุ่นมัวและเดือดร้อนขึ้นมาอย่างนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งสําหรับพระเราตื่นให้ตื่นแต่เช้าให้ตื่นตัวอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้ตื่นอย่านอน แบบพลิกไปพลิกมาเหมือนกับหมูที่คอยจะขึ้นบนเขียงนั้นไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังตนอยู่เสมอเช่นเดียวกับแม่เนื้อที่ระวังภัยที่จะมาจากเหตุการณ์ต่างๆอยางนั้นจึงเป็นความถูกต้องแม่เช่นนั้นแม่เช่นนั้นแม่เนื้อก็ยังตายจากเพราะอันตรายได้ด ท, ทั้งที่ระมัดระวังมีธรรมของพระเจ้าที่ทังสอนคริสตุเป็นต้น ยิ่งมีความละเ อ, อียดจะอ่อมากยิ่งกว่าแม่เมื่อระวังภัยทั้งหลายจงเป็นผู้ระมัดระวังให้ดีหน้าที่การงานอันใดที่เป็นเรื่องของพระยาได้อ่อนแอให้มีความเข้มแข็งตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดหมู่เพื่อนทำหน้าที่การงานอันใดให้สังเกตสอดรู้เพื่อการประพฤติปฏิบัติตามท่านพะเรามาอบรมปึกอษาบางทียังไม่เข้าใจ ตลอดตัวถึงในควาวัดปฏิบัติจะเป็นส่วนภายนอกก็ให้ได้มีความสมบูรณ์เข้าไปด้วยระดับเฉพาะภายในคือการตบรมจิตตะภานาก็ให้พื้นประพฤติปฏิบัติอย่าได้ละมีความเข้มแข็งการภาวนาจะภาวนาบทใดเช่นพุทธโทธธรรมโมสังโฆหรืออนาปานาสติเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่กรมคืนกับนิสัยของเราให้พึง น, นำทำนั้นเข้ามาบริกรรมภาวนาเช่นกาหนดอนาปานาสติ ก็กำหนดอยู่ที่ลมสัมผัสมากน้อยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนให้พื้นกำหนดสติไว้ที่ตรงนั้นแล้วสังเกตสอดรูล้ลมเวลาผ่านเข้าไปผ่านออกมาอยู่ที่ปากทางได้จะดั้งจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาจะเป็นความกังวลเพิ่มภาระมากสำหรับผู้เพิ่งมีการอบรมจะเป็นการขั้นเสือเรือความสามารถของตน พึงมัดตะวังมีสติสตังอยู่กับบทภาวนานั้นแล้วจิตจะมีความสงบร่มเย็นขึ้นมาเป็นลําดับลําดับเมื่อสติควบคุมงานคือการภาวนาอยู่นั้นจะให้เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างแท้จริงสอนโลกสอนสงสารจนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะก็มาจากความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงกระทานไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอย่างใดทั้งหมด มัชชีมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทุกมุมสมควรแก่การแก้กิเลสทุกประเภทเพราะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าัางพุทธการโดยสมัยปัจจุบันนี้กิเลสเป็นประเภทเดียวกันความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนี้มีอยู่ภายในของของสัตว์โลกตั้งแต่ข้างโน้นมาจนกระทั่งถึงั้งนี้และต่อไปก็มีกิเลสประเภทเดียวกันนี้การแก้กิเลสจึงไม่จําเป็นจะต้องหา ทำบทใดซึ่งเป็นธรรมที่ว่าทันสมัยหรือเยี่ยมยอดนี้ยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงประทานไว้แล้วนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้ไขหรือปราบตามกิเดกทุกประเภทให้หมดทิ้นไปจากจิตใจไม่มีธรรมใดเหนือนี้เลยจึงขอให้อบรมธรรมนี้ให้มีขึ้นภายในจิตใ จ, จของตอนตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งขั้นสมบูรณ์เต็มที่คําว่ามรรคผลนิพพานที่ครั้งพุทธการท่านบรรลุท่านบรนบรลุท่านรู้ ท่านพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นส่วนผลนั้นจะปรากฏขึ้นภายในตัวของเราผู้บำเพ็ญหรือดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เหมือนขั้งพู้จการโดยไม่ต้องสงสัยผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในการประพฤติธปฏิบัติธรรมอยากให้รู้ให้เห็นเพราะการแสดงธรรมให้หมู่เพื่อนฟั ง, ต, ง, ต, งตั้งแต่ต้นจนปัจจุบนันนี้ไม่เคย ส, สอนหมู่เพื่อนด้วยความเลื่อนลอยเลย ต่างสอนด้วยความถึงกิจถึงใจได้เจตนาที่มีความเมตตาสงสารอยากจะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ตนรู้ตนเห็นและตนแสดงออกไปนั้นเหมือนกับตนที่ได้ปรากฏมาการแสดงธรรมแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายนี้ผมไม่ได้แสดงด้วยความร้นแรงผมเรียนตามคงในฐานะที่หมู่เพื่อนมาอาศัยกับผมเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจึงไม่มีปิดบงลลังลี้ลับได้รู้เห็นอย่างใดอย่างใดนํามาสอนจนไม่มีอะไรเหลือแล้ว ภายในพุงนี้ไม่มีเหลือได้แสดงออกมาอย่างหมดเปลือกทีเดียวแก่หมู่เพื่อนแต่ไม่มีอันแม้นิดหนึ่งที่จะเป็นการโอ้อวดต่อมือเพื่อนซึ่งทําทั้งหลายที่ตนไม่รู้ไม่เห็นแล้วนํามาโอ้อวดอย่างนั้นไม่มีภายในใจของเราแสดงตามสิ่งที่เคยปรากฏเช่นอย่างการประพฤติปฏิบัติเคยประพฤติปฏิบัติอย่างใด หนักเบามากน้อยขนาดไหนได้ฝึกฝนทรามานตนหนักเบามากน้อยเพียงไรก็เลยนํามาสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจเรื่อยมาตามโอกาสอันควรตลอดทั้งผลที่ปรากฏเริ่มแรกตั้งแต่จิตเข้าเป็นสมาธิคือความสงบเปรี้ยวเย็นก็เลยเล่าให้ฟังจิตเสื่อมลงไปมากน้อยเพียงไรก็เลยเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติทั้งนั้นทั้งฝ่ายเจริญและฝ่ายความเสื่อมความเสื่อมก็เป็นอาจารย์ได้อยาบ เป็นอย่างดีผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากความเสื่อมของเราที่แสดงให้ฟังแล้วจะได้ตั้งสติสตังระมัดระวังอย่างให้จิตท้องตนเสื่อมซึ่งเป็นการลำบากมากในการที่จะฟื้นฟูให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามเดิมและยิ่งกว่านั้นเราได้เคยเป็นมาแล้วจิตเสื่อมเพียงเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งแต่ก่อนเข้าได้สนิทกําหนดเมื่วลาได้ทั้งทุกครั้งทุกครั้งไม่เคยเสียครั้งเลยแต่เวลาจิตเริ่มเสื่อมเท่านั้นเรารู้สึกตัว ว่ากิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบโดดหนีทันทีแม้เช่นนั้นเป็นเวลาตั้งปียังเข้าไม่ได้ดูสิเราจิตเสื่อมเพียงเท่านั้นพยายามฟื้นฟูชุนล่าให้ขึ้นมายังถึงขนาดปีกว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่เคยเป็นมานั้นเลยยังได้เห็นโทษแห่งความเสื่อมนี่อย่างถึงใจเหตุใดจึงว่าเห็นโทษอย่างถึงใจเพราะเราเสีย อ, อกเสียใจเพราะความเสื่อมแห่งจิตนี้เสือเสียจิต เ, เสียมากจริงๆ ถ้าว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาทำเราให้เสีย อ, อกเสียใจขนาดนั้นอย่างเป็นคารวะแล้วฆ่าห้าศกในวันหนึ่งนี้โดยไม่รู้สึกตัวเลยได้ว่ า, วาได้ฆ่าคนเพราะอำนาจแห่งความโกรธแค้นนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะลึกบาปหรือบุญไปได้ขนาดนั้นแหละทีนี้พอจิตได้เจริญขึ้นมาเพราะอุบาต่างๆที่เราท่มเทลงมาเพื่อเรานั้นแล้วยิงไม่ยอมให้เสื่อมจนถึงกับว่าอ้าถ้าว่าจิตของเรา จะเสื่อมไปจะจะเสื่อมลงไปแม้แต่มากน้อยเพียงไรก็ตามขอให้เราตายซะก่อนจิตนี้ถึงจะเสื่อมได้ถ้าเรายังไม่ตายจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้คำที่พูดอย่างนี้ เ, เหมือนกับว่าพูดเป็นการประกันตัวการประกันตัวการรับรองตัวนั่นเพราะอะไรต้องรับรองด้วยการนมา้มมัดระวังคือการนมา้มัดระวังนี้ต้องเป็นเครื่องยืนยันอย่างเต็นที่ไม่เพียงแต่ว่าพูดเฉยๆความน้มัดระวังตัวนี้ระวังมากทีเดียวตั้งแต่ได้ทราบเรื่องจิต หรือเรื่องดเสื่อมนั้นได้สอนตนให้รู้อย่างถึงใจแล้วการระมัดระวังก็ระมัดระวังอย่างถึงใจแล้วเวลาติดได้เจริญขึ้นมาเต็มภูมิแล้วก็ขยับลงให้เต็มที่เอาตายก็ตายปรากฏว่ากัดเที่ยวกัดฟันหักไปนู่นแหละเพราะความถึงใจเกียดแค้นอย่างขนาดนั้นทีเดียวเกียรแค้นให้ตนเองนี่คืออุบายวิธีที่ดาเนินมา ก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังหมดโดยไม่ต้องหาอุตริตอะไรมาพูดซึ่งตนไม่เป็นจริงอย่างนั้นนี่พูดอย่างถึงใจที่เราทําอย่างถึงใจเอาเป็นเอาตายเข้าว่ดในขณะที่บําเพ็ญนั้นไม่เคยคิดว่าตนจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่เป็นมานี่เลยหรือว่าถึงฆราวาสจะยมหรือพรนเองเพ่าะนี้ใส่ของเราเหมือนกับเป็นคนนิสัยวาสนาน้อยมีความสนใจฝ่ายต่อการประพฤติปฏิบัติหรือฝึกฝนทรมานตนถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เคยสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใด ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เทศสอนคนในขณะเราปฏิบัติซึ่งชุนมูลวุ่นวายเรียกว่าเข้าทลุบอลอยู่ถึงเก้าปีตั้งแต่พันษาเจ็ดที่เราออกปฏิบัติทีแรกจนกระทั่งถึงพันษาสิบหกออกพันษาแล้วถึงเดือนหกแรมสิบขัโอแรมแรมดับพูดง่ายๆแมสิบ้าขั้มเอาให้เต็มพรมนี่สจจนกระทั่งถึงคืนวันนั้น ถึงได้ตัดสินใจกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจิดตายเรื่องขี้เหลือกันหาอาสวะทุกประเภทได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในวันนั้นได้เปิดเผยโลกระชาตเห็นอย่างชัดเจนเกิดความโศดสังเวชน้ำตาลร่วงตลอดคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะเหตุไรโศดสังเวชความเป็นมาของตนโศดสังเวชเรื่องความเกิดแก่เก็บตายเพราะอำนาจแห่งขี้เหลืมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์เอาไว้ ไปเกิดในภพใดาชาติใดมีตั้งแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์อยู่ไม่มีเวลาปล่อยวางจะมาตั้งถึงตายไปแล้วแบกอีกตายไปแล้วแบกอีกคําว่าแบกก็คือว่าเข้าสู่ภพใดาชาติใดมีจะมีสุขมากน้อยทุกข์ต้องเจือปนไปอยู่เสมอนี่เห็นโทษเกิดความสระ ด, ดสังเวชแล้วกมาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่คิดว่าจิตใจจะมีคุณค่าถึงขนาดนั้นเราในตอนสุดท้ายเราก็ เห็นวาาวิชาเป็นสิ่งที่ปรากฏไปเสียแล้วหลวงก็วิชาอยู่ถึงเวลาแปดเป็นเวลาแปดเดือนเราไม่เคยลืมรักสงวนวิชาซึ่งเป็นตัวผ่องใสตัว ส, สง่าผ่าเผยตรงอดก้าหาันรัก อ, อ, อ, อยู่นั่นเสียแล้วปรมามัดพยายามระมัดระวังรักษาวิชาทาั้งๆที่สติปัญญาก็เต็มภูมิแต่ไม่นํามาใช้ในขณะนั้นเมืออออ่อเวลาได้ใช้กันให้อย่างเต็มภูมิของสติของปัญญานั้นแล้วเรื่องอวิชานั้นมันถึง กระจายลงไปถึงได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจิตใจนั่นแหละก็เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งน้ําตาร่วงร่วงสองอย่างร่วงด้วยความสดุดสัจสังเวชพบชาติถึงความเป็นมาของตนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเคยเป็นมาอย่างนี้ท่านพ้นไปแล้วนี่ก็ได้เคยเป็นมาอย่างนี้บัดนี้เป็นคราวนี้เป็นเรื่องปัจจุบันเป็นวารคสุดท้ายได้ทราบชาัดเจนประจักษ์ใจเกิดความอัศจรรย์เพราะตัวพยานก็มีอยู่ในจิตนั่นแล้ว ซึ่เคยมีความเกี่ยวข้างผูกพันกับสินใดเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะติดแล้วกลับมาติดอวิชชาที่แรกก็เทียบกับคาดอวิชชานั้นเหมือนเสือโครง่งเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เวลาเข้าไปเจออวิชชาแล้วเป็นนางงามจักรวาลโดยไม่รู้สึกตัวเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสิ่งที่อจิรย์มีค่ามากโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องติดเมื่อแก้สิ่งนี้ได้แล้วอันใดที่เป็นของวิเศษยิ่งกว่านั้นมันก็ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นของอวิชจ์จึงต้อง เกิดความสลดสังเวชในทุกทั้งหลายด้วยเกิดความอัศจรรย์แห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆเข้าไปเจือปนในจิตดวงนั้นด้วยถึงกับต้องเกิดความขั้นขวายน้อยไม่คิดว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นสอนใครก็ไม่ได้ถ้าลงถึงขนาดนี้แล้วไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้ในโลกอันนี้เพราะเนือ้อหรือเหลือกําลังสุตรวิสัยที่คนจะรู้ได้เบื้องต้น เม่เห็นความอัศจรรย์มากขนาดนั้นจิตยังไม่ได้คิดในแง่ต่างๆก็คิดไปในทางทางเดียวจึงต้องได้ย้อนกลับมาอีกน่นะถ้าว่าจิตเป็นของเป็นจิตธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สูงรวิสัยที่คนจะรู้ได้แล้วเราทําไมถึงรู้ได้เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันกับมนุษย์ทั่วไปเรารู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนเข้ามาถึงปฏิปทากระจากันออกไปอ๋อนะยอมรับถ้ามีปฏิปทาคื อ, คอข้อปฏิบัติแล้ว เขาจะต้องรู้อย่างนี้ท่านผู้ใดได้มีครามวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิดังที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์เต็มที่แล้วทําอันนี้ไม่ต้องบอกรู้เองเห็นเองเพราะ อ, อํานาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิ ก, กสิ่งที่โรคลุงลังพัวพันอยู่านจิตใจให้แตะขาจากไปหมดไปหมดหรือตั้งแต่ทํ า, ารุวนลน้วนจิตด้วนล้วนที่เป็นจิตบริสุทธิ์จากนั้นแล้วเราจะเอาอะไร มาเป็นภัยต่อจิตใจแม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความลำบากแค่ไหนก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายแต่นั้นไม่สามารถที่จะทับผมจิตใจนั้นให้บอบช้าให้ขุ่นโม่ไปได้เลยเพราะอันนั้นไม่ใช่สมมติขันทั้งหมดนี้เป็นสมมติล้วนๆหรือเป็นสมมติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตตหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมมติแล้ว แล้วจะเกิดความเดือดร้อนได้อย่างไงเป็นก็เป็นตายก็ตา ย, ตายเรื่องของขันสลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกันเท่านั้นเองจิตดวงนี้เป็นยังไงจะไปเกิดที่ไหนต่อไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอย่างชัดเจนจะไปเกิดที่ไหนเมื่อไม่มีเชือ่อไม่มีเงื่อนต่อทั้งเงือองเง่อนต้นเงื่อนปลายทั้งอดีตอ น, นาคตแม้แต่ปัจจุบันก็รู้เท่าทันไ ม, ไม่ได้ยึดไม่ถือชบเบธะมานันต์ทำทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นก็คือปล่อยเสียทั้งหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าทำ ทั้งปวกนั้นได้แก่สมมติทั้งมวลในรู้ชัดเจนประจักษ์ใจเมื่อประจักษ์ใจปล่อยวางหมดแล้วทําอะไรที่นี่ก็วิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตจะเรียกวิสุทธิจิตก็ได้ก็เรียกวิสุทธิธรรมก็ได้จะเรียกนิพพานก็ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริงแล้วเรียกไม่เรียกก็มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเหล่านี้ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดไม่เคยปิดบังรีลั ซึ่งไมไ่เคยถามผู้ใดเลยปรากฏขึ้นกับจิตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติสมกับพระธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเมริตะโบวิจอยู่ผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนน่ะ mm hmm. ท่านว่าไว้นั้นทำทั้งหมดนี้เป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเปิดตู้พระรไกรปิฎกในขณะเดียวกันก็ปราบตามกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเครื่องปิดบังิต จ, จิตใจ ซึ่งเป็นของวิเศษให้แตกกระจายไปกลายเป็นใจวิเศดล้วนๆขึ้นมาภายในจิตไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาว่าขัาง้งพุทธการท่านสําเร็จมากผลนิพพานขั้งนี้ไม่มีทางสําเร็จอย่าไปคิดนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกลวงเราให้เลยหลงกลมายาข้างมันอีกแล้จะเกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีก็คาดตนตายทั้งๆที่มีคุณค่าอยู่นั่นเพราะอำนาจของกิเลสพาให้ฆ่านั่นเองหลงกลมายางกิเลสเท่านั้นก็จมไปได้คนเรา ทำเข้มแข็งมีมากน้อยเพียงไรอพอขี้เลสหลอกยับเดียวสองยับเท่านั้นก็ล้มนานๆท่านขอให้าพากันเข้าใจว่าธรรมนั้นไม่อยู่ที่ไหนให้ทราบเรื่องสัจธรรมเป็นหลักประกันของธรรมเหล่านี้สัจธรรมคืออะไรบ้างทุกความสบายกายไม่สบายใจมีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่กายที่ใจเหล่านี้ทุกคนสมุทยัยท่านว่านั่นที่ราคะการมาติหาเพอติหาวิภวติหา นี่คือตัวของกิเลสมันเกิดขึ้นจากใจเพราะเชื่อของมันมีอยู่ที่ใจมันก็แสดงตัวออกมาจากสิ่งที่มีให้เรารู้นิโรธคือความดับทุกข์เอาอะไรมาดับมันถึงจะดับได้ถ้าไม่เอามากคือศีลสมาธิปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิปัญญาศรัทธาสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเป็นสิ่งสําคัญมากสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิลเป็นเครื่องถอดถอนวิริยะคือความภาพเพีย่ในงานถอดงานถอดท้้งตนให้เร่งอันนี้เข้าให้มาก แล้วนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อกิเลสดับไปมากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปมากน้อยเพียงนั้นเพราะนิโรธนั้นเป็นเงาของมากทำมากทางานมากน้อยเพียงไรนิโรธก็แสดงขึ้นตามเรื่องของมากที่ปราบตามกิเลสได้มากน้อยสัจธรรมทั้งสีนี้มีอยู่ที่ไหนเวลานี้ในครั้งพุทธการท่านบรรลุธรรมท่านบรรลุอะไรถ้าไม่รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วหาทางบรรลุธรรมไม่ได้ เมื่อรู้แจ้งในสัรธรรมทั้งสีนี้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นและคือเป็นผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอันกเกษมสาราญหาที่หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้เลยอยู่ที่ดวงใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจเพราะทุกสมุทัยนิโรธมากอยู่ที่ใจสาวกทั้งหลายตรัสรู้ใจที่ใจนั้นเองเพราะใจเป็นผู้หลงใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้แก้วความรุ่มหลงของตนเมื่อแก้เต็มที่แล้วความรุ่งหลวงก็หมดไปทุกก็ดับไป ความโล่หลวงนั่นแหละพลาให้เกาะถูกเมื่อทุกข์ดับไปแล้วคำว่านิโรธก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวเท่านั้นก็ดับไปแล้วอะไรที่ยังเหลืออยู่เวลานั้นผู้ที่รู้ว่าอทุกข์ดับไปนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ดับนี่แหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ชาติธรรมทั้งสี่เป็นเพียงกิริยาอาการดําเนินในขณะที่ยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอรหัตธรอรหัตธรรมะอรหัตผลจึงเป็นธรรมที่อ ภาพเดียวกันอยู่ยังไม่รวมยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ละกิริยาระหว่างมากกับผลวิ่งถึงกันในในขณะช่วยจะได้มากขจิตตามปริยัติธนว่าไว้ช่วยได้มากขจิตคือรัดมือเดียวขณะเดียวเท่านั้นนั่นในขณะนั้นท่านเรียวกว่ามากกับผลวิ่งถึงกันพอมากกับผลวิ่งถึงกันทําหน้าที่ต่อกันเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนั่นเรียกว่านิพันธ์ในขณะเดียวกันเรียกว่านั่นแดยถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว แล้วคำมาแดนแห่งความบริสุทธิ์นี้จะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่หมายถึงใจผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์ให้พ้นจากแดนแห่งความทุกข์ไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเป็นที่ยึดเป็นที่ถือไม่มีอย่างอื่นเป็นที่แน่ใจตายใจได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ดําเนินจิตใจของตนอย่าได้ลดละพอถอยตายก็ตายเถอดพุทธังธรรมังสนงังกระฉามิตายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าตายเพื่อกิเลสบูชากิเลสเป็นในไหนเราเคย เชื่อเราเคยยอมจำนนต่อกิเลสคล้อยตามกิเลสเคลื่อดับตามกิเลสมาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้แล้วให้กิเลสพ่อพูนหัวใจแล้วก็ขนเอาทุกมาทับผมโจมตีเราจนขนาดที่ว่าไม่รู้จักเป็นจักตายหาําหนดที่หมายไม่ได้ว่าเมื่อใดทุกเจะหลุดลอยออกไปจากใจถ้าไม่แก้ตัวสมุทัยให้หลุดรอยลงไปแล้วไม่มีทางที่ทุกจะหลุดรอยไปได้การแก้สมุทัยก็คือความเพียร มีสติปัญญาเป็นสําคัญพยายามบาาเปี่ยนอย่าลดละพอยหลังนี่แหละเป็นสิ่งที่จะตัดสินได้ตัดสินที่ตรงนี้ไม่มีการโน้นสถานที่นั่นใดๆที่จะมามีอานาจยิ่งกว่าศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาหรือยิ่งกว่าชัชจะทำทั้งสิ่งนี้ไปได้เลยตรงนี้เป็นสําคัญเอาตรงนี้กิเลสอยู่ที่ตรงนี้สมมูไทร์คือกิเลสแท้อยู่ที่หวนนัวใจ มักคือการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสด้วยอุบายวิธีใดอยา่านอนใจถึงเวลาคิดคิดอ่านแต่ตองให้เข้าใจในเรื่องธาตเรื่องขันเรื่องกิเลสอศาสวะแสดงตัวขึ้นมามากน้อยอย่าไปหึงหวงอย่าไปเชื่อใจโลกที่เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นเรื่องของสมุมทัยแล้วกว้านเอาความทุกข์เข้ามาเผาลนุนหัวใจเราทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นขึ้นชีวิตสมุทัยแล้วเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นมานังเดิมเราอย่าได้หลงสติ เราฝึกให้มีสติมีได้ปัญญาพยายามขุดค้นคิดอ่านไตรตรองในแง่ต่างๆทั้งภายนอกภายน์ในพาคิดพาอ่านบังคับคิดอ่านใช่ก่อนในเบื้องต้นเพราะปัญญายังไม่รู้หน้าที่การงานตัวเองเช่นเดียวกับเด็กยังไม่รู้หน้าที่การงานผู้ใหญ่ต้องบังคับบัญชาให้เด็กทํางานจนกว่าว่าเด็กนั้นเติบโตหรือรู้เรื่องรู้ราวหรือรู้ผลของงานรู้จักวิธีทํางานแล้วก็ทํางานไปเองโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่ง รู้เหตุรู้ผลเรียบร้อยแล้วหน้าที่การงานไม่ต้องบอกทําไปเองนี่สติปัญญาเบื้องต้นก็ต้องในบังคับบัญชาล้มลุกคุกคานบ้างก็ยอมรับกันไปก่อนเพราะยังไม่ํมนมนานี้ชานาดต่อเมื่อสติปัญญาได้ดําเนินได้เห็นผลแห่งความสงบเย็นใจหรือความค่องแคบหรือความสว่างสวายภายในจิตเพราะอำนาจของสติปัญญาขึ้นแล้วจะมีสติปัญญาจะมีความขายันหมั่นเพียรไปเองเรื่องความเพียรไม่ต้องบอก หมุนไปตามกันนั่นเนี่ยเนี่ยลังอยาอยู่ที่ตรงนี้การแก้กิเลสไม่ได้แก้อยู่สถานที่นู่นมาอยู่สถานที่นี่แต่ อ, อยู่ที่สถานที่จิตถ้าว่าสถานที่ก็คือจิตนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นขอให้ทุกท่านฟังอย่างถึงใจปปฏิบัติแก้กิเลสของตนอย่างถึงใจให้เห็นว่ากิเลสนี้คือไไภัยอย่างยิ่สงสาหรับหวัวใจเราจะพาให้เกิดพบเกิดชาติเกิดในพบน้อยพบใหญ่ในระับความทุกข์มากน้อยรุนแรงตั้งแต่ไป จากกิเลสทั้งนั้นไม่ไปอยากที่อื่นเลยการแก้กิเลสการเห็นเห็นกิเลสเป็นไถยจึงมีทําให้จิตใจมีความพอใจหรือมีความอาจหารที่จะแก้กิเลสโดยลำดับผู้ใดที่ได้เป็นความสะดุดใจเข้าใจว่ากิเลสเป็นข้าศึกแต่ตนแล้วจะมีทางต่อสู้กันถ้าเห็นกิเลสเป็นตนตนเป็นกิเลสเห็นกิเลสเป็นเราเราเปกิเลสแล้วกิเลสทั้งหลาสภาพคนจบแล้วเราก็จมไปด้วยกับกิเลสหาวันพ้นผู้ตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลย พอพูดไปพูดไปพอ ร, รู้สึกหนึ่งให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงใจในส่วนยากก็ได้เคย อ, อธิบายให้ฟังแล้วในเบื้องต้นอย่างกัร น, นี้การพระพุทธปฏิบัติให้มีความขยันหมั่นเพียรหูไวตาไวคิดอ่าน่ใจองอย่าอยู่เฉยๆอย่ามีความแก้วกล้าสามารถอยาบแสดงความอ่อนแอพระพุทธเจ้าเป็นคนมีตรงมีความขยันหมั่นเพียรมากไม่มีใครเสมอเหมือน าศาสนาธรรมที่ออกมาจากพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่สอนคนให้มีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ดีที่ชอบให้เกิดผลเกิดประโยชน์จนกระทั่งถึงขั้นเป็นที่พึงพอใจนําไปประพฤติปฏิบัติรับผลรับประโยชน์จะบวชมาเวลามากน้อยในขณะที่เราบวชนี้ให้ทุ่มเวลาลงเพื่อความภาคเพียรอย่าให้เสียผลเสียประโยชน์จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งเราเคยคิดมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษภานกิจใจให้มีความกังวลและมัวหมองต่อจิตใจเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นให้ทราบของมันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยและหเห็นโทษของมันอยากสนใจไปคิดเวลานี้เราเป็นลูกสถหคตจะเป็นดูกี่วันกี่เดือนก็ตามให้ทําหน้าที่ของตนเต็มภูมิอย่าได้ลดละพระพุทธเจ้าท่านทร ง, งท่านเสด็จออกบวชไม่มีใครตามส่งตามเสียไม่มีญาติมีโ ย, ยมไม่มีอุปสมบถาตามพระพุทธเจ้าเลย สละออกจากความเป็นกษัตริย์ไปถูอความเป็นคนขอทานใครจะลาบากระมวนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีมความลําบากพระพุทธเจ้าทรงรเผชิญมาแล้วกว่อนที่จะสัตวสลูปรากฏว่าสลบทรงสลบสลายถึงสามครั้งว่างถ้าไม่ฟื้นก็ตายนี่คือความทุกข์มากถึงขั้นสลบนั่นเองถึงสลบถ้ายิ่งกว่านั้นก็ถึงขั้นตายลาบากไหมพระพุทธเจ้าผู้ทรงบําเพ็ญมาก่อนอันเป็นที่เป็นแนวหน้าของพวกเราเราจะมีแต่ความอ่อนแอ ง่วงเหงาเข้านอนซึมอยู่อย่างนั้นเป็นได้เลยกิตตาโคตมันเป็นไปได้เลยแล้ให้คิดจาหนาอะไรจะอัศาจรรย์เท่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีฮิตจะเคยหมุกมุนหมุกมุนอยู่กับสิ่งใดก็ตามเมื่อทำได้ฉายแสงเข้าไปถึงใจแล้วจะปล่อยวางโดยลำดับกําดับ ไม่ว่าอันใดจะวิเศษวิโสในความรู้สึกมาตั้งแต่ก่อนก็ตามจะปล่อยวางประเ์ลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่าเหมือนกับธรรมชาติที่อันประากฏซึ่งตัวนึกปรากฏขึ้นผนา่านใจไม่อย่างนั้นท่านตล่อยไม่ได้วางมาได้ถ้าสิ่งนี้ไม่เหนือกว่าจะปล่อยไปทําไมเห็นั้นเราเดินไปเจอตะกัว่วแล้วก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินอก็วาเป็นของดีทิ้งต ะ, ตะกั่วไปไปเจอทองคํำก็อีกเจอเพชรเยอ ป่อยก็ไปอีกยิ่งปล่อยไปปล่อยเริ่มนำหนับน่นเพื่อเล็อกของดีเอาของดีของที่ราคาต่ำกว่านั้นก็ทิ้งทิงทงอันนี้ก็เหมือนกันโลกาภิตธทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาต่ํานอกจากนั้นก็เป็นโทษอีกด้วยเมื่อทำได้แท้กระทึงใจมากน้อยเกียงไรควรจะชนะรสชาติความแปลกประหลาดก็ไม่ใช่จันควรจะชนะโลกาภิตธสิ่งใดไ ด, ได้ก็ย่อมชนะย่อมปล่อยกันไปปล่อยกันไปวางกันไป จกนกระทั่งปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นทำอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแล้วในโลกนี้แล้วปล่อยไว้ได้โดยสิ้นเชิงบุญญาปาปากปฐินะบุคคลก็ทั่งบุญก็อย่างละบาปไม่าว่าแต่ละบาปได้แล้วเลยบุญก็อย่างละยิงเรียก ว, ว่าบุญญะปลาปากปฐินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนะบุญก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงที่อันกเกษมเมื่อถึงที่กเกษมแล้วบุญซึ่งเป็นส่วนสมมติ ก็ปล่อยวางกัน โ, ยโดยหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเหลือแต่ความวรู้สึกจนล้วนและไม่ติดด้วยรู้เท่าตัดขาดทั้งอดีตอนาคต ร, รู้เท่าตัดขาดทั้งปัจจุบันไม่ยึดมั่นในสิ่งใดเลยแต<ม>่ว่าพระอาราหันต์อรหันท่านไม่ยึดถือสิ่งใดเลยก็ไม่ผิดแต่ท่านก็ไม่ได้ปราศจากที่พึ่งน่ะเมื่อถึงแดนแห่งความพ้นจากส ม, มุดหรือถึงแดนแห่งเกษมเต็มภูมิแล้วพ้นวิสัยของส ม, มุดแล้ว ไม่ได้ยึดอะไรทั้งนั้นพอตัวคือข้อการประพฤติปฏิบัติขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจได้พยายามเทศสอนมาโดยลำดับลาดับขอให้เห็นใจผู้แสดงด้วยการรับพระเนรจำนวนมากน้อยก็ได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วถึง่างรับขนาดเท่าที่เป็นมานี้ถ้าเลยกว่านี้ก็ต้องแสดงผลให้เห็นอย่างใดยอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะเชื่อความคิด เคยคิดอันใดไว้แล้วเป็นความถูกต้องเสมอไม่ใช่คุยถ้ถามากก็เผอเรรวนรวนเหลียวไหลายแล้วก็กออความมุ่นวายให้ส่วนที่ดีเสียไปด้วยไม่เพียงแต่เหลียวไหลโดยลำพังตนเองอยังเป็นการโรกหูโรกตาโรกกิดโรคใจ ก, กีดขวางเพื่อนฝูงไปอีกเะเป็นของดีเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกๆุกองที่มาบวชนี้ไม่ว่าจะมาจากสกุลใดชาติท่านวรรณะใด ไม่สําคัญยิ่งกว่าความเป็นพระปฏิบัติให้ตรงแนวตามหน้าที่ของพระนี้เป็นหลักแห่งพระอันที่อันถูกต้องซึ่งจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้ถ้าปีกจากร่องรอยนี้แล้วเป็นเรื่องของโรกของสารหาประมาณไม่ได้นั่นแล้วจะทําการขีดขวางต่อกันหาความสูขความสบายไม่ได้เลยน ล, ลาวจากหน้าก็แตกถ้าเอาโรกเข้ามาแทรกเข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเรื่องชาติชั้นวันลนะ ผู้ใดมาบวชแล้วก็ชงแสดงเต็มภูมิของพระองค์ผู้นั้นให้ผู้นั้นปฏิบัติเต็มภูมิของพระของสมณะซึ่งเป็นสากยบุตรพทัชินรสของพระพุทธเจ้าไม่ลดละถาวกของพระพเจ้ามีกี่ประเภทมีทุกชาตชั้นมันละมาพุทปฏิบัติพระพุทธปฏิบัติผู้ใดออกมาเช่นเป็นพระชามหากษัตริย์ เสด็จออกมาบวชแล้วก็มาเป็นคนขอทานมาเป็นสมณะต่อเภทเดียวกันทําหน้าที่การงานโดยไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเคยมียศมีศักดิ์มาขนาดไหนอันนั้นมันสมมุติกันเฉยๆยศอย่างนั้นยศอย่างนี้ดูหัวใจนี่หัวใจนี่ที่เด็นไม่ได้นนว่ายศไหนนะมันเหยียบได้ทั้งนั้นให้แก้ตัวมันเหยียบมันเป็นข้าตศึกต่อเรานี้ด้วยธรรมเราจะมีความเป็นอิสระหรือเราจะมียศแห่งธรรมประดับใจ ยอดแห่งธรรมประับใจนี้เหนือยอดอะไรทั้งหมดแล้วกินไม่หมดด้วยทาแล้วก็หายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างถึงขอให้ทากันพระพุทธปฏิบัติยานอนใจอ๋เหนื่อยเอาละท่านปัญญาเดี๋ยวน้อธิบายหมู่วื้นกันงนะ